ผู้มีสติจะรู้จักทักท้วงความคิดไม่ทำตามความคิดง่ายๆหลวงพ่อคําเขียนสวรโนหลวงพ่อคําเขียนได้กล่าวไว้ว่าผู้มีสติเนี่ยก็จะสามารถทักท้วงความคิด แล้วก็จะไม่ทำตามความคิดอย่างง่ายๆอันนี้ถือว่าเป็นคำที่หลวงพ่อมักจะเทศบ่อยๆเทศถึงเรื่องการทักท้วงไม่ทำตามเอาชนะดูมันเห็นมันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมันเนี่ยหลวงพ่อจะพูดบ่อยๆทาไมเราจึงต้องไปทักท้วงความคิดก็เพราะว่าความคิดเนี่ยมันนำเอากิเลสเอาความทุกข์ มาสู่จิตใจของเราแล้วก็เรามากักจะทำตามความคิดด้วยความเคยชินเราตกอยู่ภายใต้อหนาจของความคิดภายใต้อนานาจของกิเลสด้วยความเคยชินแบบไม่รู้สึกตัวเนเพราะเราขาดสติจึงไปเชื่อความคิดไปเชื่ออารมณ์การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรกับความคิดเพียงแต่ให้รู้ทันความคิดไม่ได้ไปดับความคิด แต่รู้ทันความคิดแค่รู้ทันความคิดเนี่ยเท่ากับเราได้ฝืนแล้วนะฝืนกระแสของความคิดปรุงแต่งจิตเนี่ยจะอยู่เหนืออำนาจของความคิดถ้าจิตเราอยู่เหนืออำนาจของความคิดเมื่อไหร่เรวก็จิตเราจะเป็นอิสระอิสระจากความคิดอิสระจากอารมณ์ที่นี่เราก็จะคิดด้วยสติไม่ใช่ว่าอยู่เหนือความคิดแล้วไม่คิดนะคิดแต่เป็นการคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญา เพื่อจะแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองแถมยังแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยสึ่งเหล่านี้ละ่ะมันอยู่ในชีวิตจิตใจของเราในชีวิตประจาวันนี่ยนะเพราะนั้นเราจึงต้องมาพูดกันบ่อยๆว่ า, าจเจริญสติเข้าไว้ให้รู้สึกตัวเข้าไว้ขยันรู้ขยันมีสติเข้าไว้จะได้เอาไว้ทักท่วงความคิด ทักท้วงจิตใจตนเองที่ชอบหลงไปตามหน้าของกิเลสเราสามารถเจารสติได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็นําเอาการเจารสติมาใช้ได้ถ้าเราเจารสติในชีวิตประจําวันไม่ได้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเลยนะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสังเกตดูเถอะเวลาที่เราใช้แต่ละวันเนี่ยมันมีมาก ตแต่ตื่นนอยมาตอนเช้าจนกระทั่งเราหลับไปในตอนค่ำคื น, เ, นเรามีเวลาหลายชั่วโมงเวลาที่มากเพียงพอเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์เราจะสามารถที่จะเติมส ต, ติลงไปได้การใช้ชีวิตกับการทำงานซึ่งมันเป็นเวลาที่มากพอสมควรยิ่งเราสามารถทำให้ต่อเนื่องกันบ่อยๆบ่อยๆตลอดทั้งวันเนี่ย มันจะยิ่งดีจะเป็นประโยชน์มากจะได้เนื้อเนื้อได้เป็นกรอบเป็นก ร, รมการทํางานเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตใจเราเผลอเพลินไปกับงานอย่างเดียวควรจะมีสติเติมเราไปด้วยถ้าเราว่างเว้นจากการทํางานหรือมีเวลาเพียงพอเราก็มาฝึกฝึกคัดในรูปแบบเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวล้วนๆไปกับการกระทําในรูปแบบกายเคลื่อนไหว ในอิเลียบท่างๆนอนนั่งยืนเดินเดินจงกรมดูลมหายใจยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวไปมาโอ้นี่ก็เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์อยู่แล้วและมีสติตามรู้ได้ถ้าเรามีเวลานะมีเวลาของตัวเราหรือปลีกวิเวกหาโอกาสไปปฏิบัติเพื่อจะหาสิ่งแวดล้อมเพื่อจะไปเจริญสติดูกายดูใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลา ที่จะปลีกตัวไปหรือเราไม่ชอบวิธีนั้นเราไม่มีจริตก็ไม่เป็นไรหรอกก็ชีวิตประจำวันนั่นแหละเราสามารถที่จะเจริญสติได้ก็เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องใช้สติอยู่แล้วเราต้องมีสติอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณไม่มีใครทางานแบบไม่มีสติมีโดยสัญชาตญาณแต่เพียงแต่ว่า สติโดยสัญชตาตญาณเนี่ยยังเป็นไปกับกิเลสยังเป็นไปกับความคิดยังหลงง่ายเผลง่ายยังไม่ค่อยตั้งมั่นเลยต้องมีการมาเติมมีการเติมมีการขยันมีความเพียรในการที่จเจริญสติเข้าไว้ในกับการทำหน้าที่ในแต่ละวันเนพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเรานะคนทุกคนเนี่ยถ้าไม่บ้าไม่เมาไม่หลับไม่สลบไม่ตายแล้วก็ สติมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละพูดก็ ว, ว่ายังไม่ตั้งมัน่นสังเกตดูสิเวลาเราทํางานเนี่ยเราตั้งใจทํางานความตั้งใจเนี่ยมันจะมีอยู่นิดเดียวในช่วงที่เราเริ่มต้นพอทําทําไปเนี่ยมันก็มีอาการเผลอจิตใจไม่ได้อยู่กับงานเผลอไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเผลอไปกับความคิดที่มันปรุงมันแต่งด้วยความเคยชิน เราก็เลยเป็นการทำงานแบบความเคยชินแล้วก็ชำนาญงานไปแต่บันนี้ไม่มีสติไม่มีสติอยู่กับหน้างานของเราบางทีงานมันก็ปิดพลากแต่ถ้าเราสามารถจเจริญสติ ล, ลึกรู้ลงไปที่การกระทำของเรางานอะไรก็ตามที่เราทำอยู่เรามีการเจตนาใส่ใจที่จะรู้สักหน่อยมีความเพียรสักหน่อยการเจตนาใส่ใจที่จะรู้นี่แหละ ตัวเป็นความเพี่ยนมันทําให้จิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่หน้างานของเรามันมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยธรรมชาติที่นี่งานก็ไม่ค่อยผิดพลาดพอตั้งมั่นอยู่กับงานได้งานก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ขี้หลงขี่เลิมไม่เผลอบางทีทํางานไปมันก็เพลินนะเพลินไปกับงานที่เรากระทํามันก็มีความสุขไม่เครียดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเตอลงไปใน ชีวิตประจำวันเนี่ยคือไม่ถึงเติมสติลงไปในชีวิตประจำวั น, นการงานก็จะราบเรียบเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหายิ่งเราขยันที่จะรู้สึกบ่อยๆเจตนาบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่สติจะเกิดขึ้นบ่อยๆได้เหมือนกันแต่ก่อนนี่เราเคยชินที่จะหลงไปกับความคิดกับอารมณ์แต่เรามาเจตนาใส่ใจที่จะรู้สึก รู้สึกอยู่กับปัจจุบันกับแดนงานของเราเนี่ยเหมือนจิตเนี่ยมันถูกสอนถูกสอนให้กลับมารู้กับงานมาอยู่กับงานไม่วุ่นวายกับสิ่งรอบตัวแล้วต่อไปไอ่ะไอความเคยจินจะเกิดความเป็นเองจิตมันก็จะรู้รู้อยู่กับงานของมันเองซึ่งโดยสภาพของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่แล้วแต่เราช่วยเ้าหน่อยช่วยเขา รู้เป็นระบบรู้เป็นระเบียบสม่ำอย่ายเขาจะรู้ต่อเนื่องไปนานๆมันก็เกิดเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินที่จะมีสติก็เกิดความชำนิชํานาในการทํางานสติเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยไม่หลงลืมตัวนะให้รู้สึกตัวว่าเนี่ยกายขอยงเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่กําลังเคลื่อนไหวไปทําอะไรจะรู้สึกตัวว่าจิตเนี่ย มันมีอารมณ์อะไรแทรกไหมเวลามันมีความคิดเข้าแทรกเนี่ยสติจะรู้ทันโอจิตนี่มันคิดแล้วเนี่ยมันกังวลแล้วมันหงุดหงิดแล้วมันชอบใจแล้วมันไม่ชอบใจแล้วสตินี่ก็จะรู้ทันในอารมณ์ตัวเองสติก็มีหน้าที่อย่างนี้รู้ทันเรื่องของกายรู้ทันเรื่องของจิตเรื่องของกายก็คือการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากกายความปวดความเมื่อย ถ้ามีสติแล้วทํางานปวดเมื่อยก็รู้สึกนะไม่ใช่ทําเพลินแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราปวดหรือเมื่อยก็อันตรายแต่ถ้ามีสติสติจะทักท่วงอ๋อนี่มันหนักเกินไปแล้วนะการยกของยกอะไรนี่เราจะก้มหลังลงไปยกขึ้นมาเพื่อทําให้หลังเราเจ็บเราต้องมีสติย่อตัวลงย่อเข่าลงยกขึ้นอย่างมีสติมันก็ไม่ปวดหลังเนะมันก็มีประโยชน์ ถ้าเรายกด้วยความเคยิงก็จับมายกเลยเสร็จแล้วหลังเราก็เจ็บสติจะทักท้วงในสิ่งที่ผิดท่าผิดปกติทักท้วงในเรื่องของจิตใจที่มันคิดนนึกเอาชนะความคิดตัวเองได้สติเนี่ยทำหน้าที่รู้เรื่องของกายเรื่องของใจทอนนั้นแล้วยิ่งเราจเจริญบ่อ ย, อยจเจริญสติบ่อยๆให้ต่อเนื่องกันบ่อยเนี่ยมันมีผลผลที่ว่ามันทําให้เกิดวิปัสสนาญาณได้สติขั้นต้นเนี่ย จะไม่เกิดวิปัสนายังไม่เห็นแจ้งแต่พอจเจริญไปนานๆมันก็มีการวิวัตรพัฒนาตัวมันเองก็กลายเป็นปัญญาวิปัสนาคือเริ่มรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปรู้อะไรมากมายนะอันนั้นเป็นปัญญาทางโลกโลกปัญญาทางธรรมนี่คือรู้จักตัวเองรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์ เรื่องของความท oh. ุกข์เหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ยที่ร่างกายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวไปไปมาๆเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกถ้าเห็นกายไม่ใช่เราแล้วก็มันได้ปัญญาแล้วมันอยู่บนเส้นทางความดับทุกข์แลเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นรูปมันไม่ใช่เป็นเราสติเป็นผู้เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวนี่มันคือรูป บางทีไม่ยังกับเราไม่ได้ดูตัวเรากำลังทำงานมันดูใครก็ไม่รู้ที่กาลังเคลื่อนไหวต่อหน้าต่อตาจิตเป็นผู้ที่ใช้ให้กายมันเคลื่อนไหวไปมาใชใ้กายทางานจิตเป็นผู้ใช้สติเป็นผู้ควบคุมจิตอีกทีมันจะเริ่มเห็นกายที่เคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราก็คือรูรปรูปประธรรมบันทีเห็นลึกซึ้ง่เออที่มันวิภาควิจาร แล้วก็คิดนึกปรุงแต่งนี่มันไม่ใช่เราคิดนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตที่มันคิดเป็นอาการของจิตเพสาิสติจะรู้ทันจิตใ จ, จตัวเองรู้ทันจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งถ้ารู้ทันเลือดของกายเรืองของจิตแล้วก็อันนี้เริ่มพัฒนาไปสู่ความมีปัญญาลนะเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามสติผู้รู้นี่มันก็เป็นนามจิตดูรูปจิตดูจิต นามดูรูปนามดูนามมันไม่ใช่เราแต่แล้วนะมันกลายปเป็นเรื่องของรูปของนามที่มันทํางานทําหน้าที่กันไปอันนี้อยู่ในขั้นรองของการเจารสติทางนั้นถ้าพัฒนาถึงขนนี้แล้วก็มันจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของรูปของนามไปไกลจนกระทั่งปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันได้แต่คิดว่าคงจะมากเกินไปเราคงทําไม่ได้หรอกไม่เป็นไรหรอก ถ้าเราจะะิตในชีวิตจำมันเนี่ยมันจะเห็นจิตเห็นใจตัวเองเอาง่ายๆก่อนเอาที่มีในคนทุกคนก่อนในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ถึงขั้นหลุดพ้นแต่ว่าเราเห็นตัวเราเห็นจิตที่มันทางานเห็นอารมณ์ที่มันผุดขึ้นในจิตใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาเป็นอารมณ์เห็นความไม่พอใจเห็นความหงุดหงิดเห็นอารมณ์สติ จะทำหน้าที่รู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ทักท้วงอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ไปคิดที่จะทําอะไรตามอารมณ์หรือไปพูดตามอารมณ์ไปทําตามอารมณ์และผลออกมาก็เสียใจเราไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยเราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยแลเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยแต่ก็ได้ทําไปแล้วได้พูดไปแล้วแต่เรื่องของความคิดเนี่ยมันต้องคิด บังทีอาจจะคิดไปทางที่ไม่ดีก็ได้แต่ถ้ามีสติแล้วมันทักท้วงทักท้วงไม่ให้ทาตามอย่างง่ายๆบางทีพอทักท้วงแล้วเนี่ยจิตมันก็อยากจะทาตามอยจะดื้ออยู่นะอยากทำตามอยู่แต่สติเนี่ยทักท้วงบ่อยๆเนี่ยมันก็เอาชนะได้เอาชนะอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยสติเพราะเรารู้ทันอารมณ์เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็จะรู้ทันอารมณ์ผู้อื่นด้วยนะ คนที่ทํางานใกล้ตัวเราเนี่ยคนมีสติจะรู้ทันนะว่าคนนี้เนี่ยเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรรู้เท่าทันอารมณ์คนอื่นแต่ว่าไม่พยายามที่จะไปควบคุมอารมณ์ผู้อื่นแต่ควบคุมอารมณ์ตนเองเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่ว่าพอเรารู้เท่าทันอารมณ์ผูอื่นแล้วเราไปควบคุมอารมณ์เขาเห็นเขาโกรธอ้าวควบคุมแม่เขาโกรธเห็นเขาเห็นเกลียดตัวไปควบคุมแม่เขาเห็นเกลียดตัว ไปควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้หรอกมันก็เกิดปัญหาไอ้ที่ปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทุกวันเนี่ยทั้งคนใกล้ตัวคนไกลตัวก็เพราะว่าคิดว่าจะไปควบคุมอารมณ์เขาให้ได้อย่างใจเรามันทําไม่ได้มันก็เกิดปัญหาเกิดการแตกแยกทะเลาะเบาแวงไปควบคุมอารมณ์เขาแต่รืมควบคุมอารมณ์ของเราที่คิดจะไปควบคุมอารมณ์เขารืมตัวเนี้ยเราพลาดท่านะเราไปหลงอารมณ์ ที่อยากจะไปควบคุมอารมณ์เขาแต่ลืมดูดูจิตดูใจว่าอ๋อใจของเราต่างหากที่คิดจะไปทําควบคุมอารมณ์เขาให้ถูกใจเราสติมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็เห็นอารมณ์คนอื่นแต่ไม่ได้ไปคิดควบคุมอารมณ์คนอื่นแต่ว่าเข้าใจอารมณ์เขาเข้าใจอารมณ์เขาแล้วก็ยอมรับเขาได้ว่าอ๋อคนคนเนี้ยเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเอง ถ้าเราเข้าใจอารมณ์ผูอื่นได้แล้วก็การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีปัญหานะไม่มีการขัดแย้งกันเพราะเราเข้าใจกันเกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะในเพื่อร่วมงานรักใคร่ปลองดองเหมือนคนคนเดียวกันเมื่อเรามีสติเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอาการดาเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยเติมสติลงไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มาก การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือการเจริญสติหรือการเจริญสติเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมเลยการปฏิบัติธรรมในแต่ละวันเนี่ยไปกับการทํางานเนี่ยก็เป็นการสะสมบุญกุศลได้ทุกวันสะสมบุญกุศลได้ทั้งวันเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดเพราะการงาน ไอ้ที่เราทุกข์เราเครียดเพราะว่าเราขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความคิดไปหวังผลงานว่าจะได้อะไรบ้างจะเสร็จทันเวลาไหมไปหวังผลจนลืมลืมปัจจุบันลืมสติอยู่กับแดนงานของเรานะก็หมดแต่ไปกับความคิดนั่นจึงถึงว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นหัวใจของา ก, การปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราสามารถ นำออกการรูสติมาใช้ในชีวิตประจาวันได้แล้วแล้วก็เราจะได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งบุญในขณะเดียวกัน